เจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยตายมาเยอะแล้วนะเพราะสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงเนี่ยเอเพราะไม่ระวังไม่ระวังอย่างที่บอกคืออา้าวคิดแต่แง่บวกกับมันพอบางทีสนิทสนมกับมันมากๆเข้ามากๆมากๆเข้าคิดแต่แง่บวกแง่เดียวเลยนะคราวนี้เลยไม่คิดแง่ลบเลยนะเศรษ <c ười> คุณไม่ระวังคุณไม่ระวงเลยแล้วคุณก็ไม่ระวังเลยด้วยเศรษเพราะคิดแต่แง่บวกแง่เดียวเลยตายตายมาไม่น้อยแล้ว นะโดนอะไรอ่ะโดนหมากัดบ้างหรือบางคนนี่ก็เลี้ยงไอ้พวกโอ้โหสัตว์ลายๆอ่ะนะนะเลี้ยงหมาพันดุอ่ะ เ, อเลี้ยงงูบ้างเลี้ยงอะไรอีกเจอเออจรเ์เจีก็มีเลี้ยงปลาลายๆอ่ะโอ้โหแมจริงๆเลยเพราะฉะนั้นนะต้องต้องระวังแต่อย่าระแวง แล้วคนที่ระวังเนี่ยจะเป็นคนที่ใครๆก็สอนได้ข้อที่หคร้อนี้มักโกรธแล้วเปล่งวาจากใกล้ต่อความโกรธนี่ยังคงย้ำมักโกรธอยู่คือยังขี้โกรธอยู่นะแต่ข้อที่หเนี่ยพอใครพูดไปนิดเดียวคุณก็เตรียมละอาปากอาปากเตรียมละเตรียมละ จะด่าเขากลับแล้วเพราะขี้โกรธในิสยัยใครพูดอะไรนิดพูดอะไรหน่อยก็โอโ้โหนะคนขี้โกรธเนี่ยโอโ้โหเพราะอะไรอะเพราะเจอเข้าไปเพราพูดไปนิดพูดไปหน่อยจะด่าอยู่เรื่อยเลยโอโ้โหจะจะอารมณ์หงุดหงิดอยู่เรื่อยเลยแล้วก็จะว่าคนนั้นจะว่าคนนี้อะโอ้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ไหวอย่างเงี้ยว่ายากสอนยากแล้วก็ไม่มีใครกล้าสอนด้วย เพราะกลัวอ่าตอนนี้ข้อเจ็อ่าตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมุมแล้วนะดูนะคนว่ายากข้อที่เจ็ดเวลาถูกฟ้องหรือหรือถูกว่านั่นเองหรือถูกกล่าวหานั่นเองเวลาถูกฟ้องกลับโตเถียงโจดโต้เถียงคนที่ที่ที่ฟ้องเนี่ยแหละอย่างเงี้ยไม่มีใครเขาอยากจะสอนหรอกคุณไปสังเกตดูเหอะ ถ้าคุณสอนใครคุณแนะนำอะไรใครไปแล้วเขาเถียงกับเถียงกับเนี่ยเหมือนเหมือนไอ้ลุงนักตีกองน่นะพอพ่อสอนแบบว่าเถียงกับเถียงกับเนี่ยลักษณะเนี่ยง่ายมากไม่ต้องอธิบายมากเลยว่าอย่างนี้ลักษณะคนว่ายากสอนยากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นท่านพุทธทาสเนี่ยท่านแนะนำว่าถ้าใครติเราใครว่ากล่าวเราหุ ป, ปากฟัง พยายามนะถ้าปากมันจะอ้าก็เรียกมือปิดปิดไว้อย่าให้มันอ้าเออนะอย่าไปเถียงพยายามฟังแต่ไม่ใช่นะมีบางคนนะตั้งใจฟังดีเลยนะตั้งใจฟังนะเพราะว่าคิดคิดว่าเดี๋ยมึงหยุดเมื่อไหร่อะกูจะเ <c oughs> ออกูจะใส่ให้แหละโอ้โหบางคนเนี่ยตั้งใจฟังอย่างดีเลยแต่ฟังนะ่ยในใจนี่เตรียมเถียงไว้เรียบร้อยแล้วนะเถียงอยู่ในใจนะหรือว่าเอ็งหยุดเมื่อไหร่อะค่าขึ้นเมื่อ น, นั้นแหละ เพราะนะันอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะในที่นี้เนี่ยคนที่จะเป็นคนว่าง่ายได้นะก็คือคนที่โดนติโดนว่ามาแล้วอย่ารีบโตเถียงฟังนะฟังแล้วเอามาพิจารณาดีๆนะอย่าเพึ่งเถียงกลับอ่าข้อที่แปดเวลาถูกฟ้องกับลุกรานโจทโอ้โหขาอนี้หนักเลยเนีย่นี่รุนแรงขึ้นตะกี้นี่แค่เถียงใช่ม แค่เถียงนี่ก็สอนยากแล้วนะคนเขาก็ไม่อยากจะสอนและ ว, วันคนที่จะสอนคนเถียงนี่นะต้องมีจิตโพธิสัตว์จริงๆคุณถึงจะแบบว่าไม่เบื่อไม่เซ็งในคนนี้ถึงจะมีใจที่เรียกว่าอายอมยอมลื้อขนสัตว์ยอมน่ามีเหตุมีมัมดมีไลอะไรก็ยังยอมลื้อขนสัตวนะ์จะได้เอาเหตุอมัดอะไรออกจากคนของสัตว์ ไม่รู้ตามทันไหมเนี่ยนะเพราะจิตแบบโพธิสัตว์เนี่ยถึงจะทนได้น่าแบบอาจจะมาใช้คำว่าแบบโพธิสัตว์คือต้องมีเมตตาสูงคุณคนนั้นน่ะถึงจะยอมสอนคนประเภทนี้อยู่แต่ถ้าธรรมดาเนี่ยไม่มีจิตแบบเป็นสายของโพธิสัตว์แล้วเจอแค่คุณเถียงคุณเถียงใครอยากจะไปสอนนี่ใครเขาอยากสอนแล้วเขเบื่อเขาเซ็งเขาเขารอดูมาเมื่อไรแหะ เองล้มเนะี่ยเขาจะหัวล้อกึกกักกึกกักเลยอ่าเพราะเขาจะสมน้ําหน้าให้เพราะเนี่ยเี่ยโดยธรรมดาจะเป็นอย่างนั้ น, นแต่นี้หนักยิ่งขอยิ่งยิ่งไปกว่านั้นอีกเพราะว่าข้อที่แปดนี่ไม่เพียงแต่เถียงนะลุกลานเขาเลยคือเถียงนี่บางทีเถียงแค่อะไรอ่ะแค่ว่ามาว่าฉันไม่ได้นะฉันก็เถียง แต่รุกรานกลับนี่หมายถึงว่าเทียงไปแบบต้องเอาชนะคนที่มาว่าเราให้ได้เลยต้องให้เขาแพ้ยิ่งอย่างนี้ไม่ไม่มีใครอยากจะมาสอนเลยเพราะอะไรเพราะขืนสอนไปมันตีศอกกลับเนี่ยหูหน้าแตกนะนะคุณเพราะฉะนั้นคนจะกลัวเลยจะไม่กล้าแตะต้องคนนี้เลยเพราะกลัวว่าคนนี้นี่แตะหน่อยเดียวนี่ มันใช้อิโต้เลยอ่ะมันใช้อิโต้ฟันกลับเลยเพราะฉะนั้นไม่กล้าแตะเพราะฉะนั้นอันนี้ไปดูถ้านิสัยเรายังมีว่าโอ้โหใครมาว่าอะไรเรานี่เราต้องเล่นงานคนนั้นให้คุณรู้เลยว่านี่คือนิสัยของคนว่ายากสอนยากแล้วคุณไปสังเกตดูนะเนี่ยสูตรนี้เนี่ยคุณไปสังเกตดูเลยว่าจริงเป๊ะเลยใครที่ยังยังมีนิสัยอย่างเงี้ยคุณรู้เลยโอ้โหว่ายากสอนยากจริงๆ คุณจะเห็นชัดเจนเนี่ยจะยิ่งคุณนึกคนออกคุณไปเทียบคนดูนะคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหใช่เลยใช่เลยใช่เลยนี่ไม่ใช่แฟนฉันหรอกนะใช่เลยนี่อะไรว่ายากสอนยากอ่าข้อที่เก้ากนณีเวลาถูกฟ้องโอ้โหหนักข้อกันไปอีกข้นี้เวลาถูกฟออก้ อ, อ, ก อ, กฟองกลับปรับปรำโจดโอ้คือ จะเอาเขาให้ตายเลยคนนี้นะหลักกี้นี่แค่ลุกเขากลับนั่นเองนะแค่เรียกว่าเล่นงานเขากลับเอาชนะเขาให้ได้แต่อันนี้นี่ปลักบัาคือไม่ใช่เอาชนะธรรมลานะทำร้ายเขาเลยปลักปัมนี่คือเล่นงานเขาให้เขาแบบว่าต้องเสียหายต้องได้รับโทษภยัยโทษทันหรือว่าอะไรไปเลยคือปลักปัมเขากลับไปเลยอะ่ะให้ให้ให้เขาเป็นผิดไปเลย โอ้โหนี่จิตอย่างนี้นี่หนักมากเลยพวกนี้อาตมาว่าถ้าเป็นอาตมาเจอก็าบายบาย <c oughs> นะรู้สึกจิตโพธิสัตว์ไม่ขึ้นนะฮะบอกสู้ไม่ไหวบอกตรงๆว่าสู้ไม่ไหวอะพวกนี้อะจริงๆเพราะฉะนั้นขนาดพระพุทธเจ้าเองก็ตามพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่ได้สอนทุกคนคนไหนที่เป็นอาเวนัยสัตว์ก็คือสัตว์ที่สอนไม่ได้ คือคนที่สอนไม่ได้ผู้เจ้าก็ไม่สอนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขืนไปเจอประเภทโอ้โหหนักข้อมากนี่ท่านก็ไม่สอนอะ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกันอาตมาก็ไม่สอนเหมือนกันแล้วอาตมาเนี่ยยิ่งโอ้โ ห, โหพลังจิตยิ่งน้อยกว่าอีกอะ่ะบอกตรงๆนะบอกตรงๆไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นได้เห็นอาตมาสายหน้าเมื่อไหร่เปลี่ยนรูปอื่นปรึกษาเถอะ ไม่ต้องมาปรึกษาอาตมาแล้วนะเพราะไม่ไหวนะอาตมาเกินอินทรพระและนะ้เกินกำลังที่จะอบรมสั่งสอนมีนะมีบางคนอาตมาหนีมาแล้วจริงๆบอกพวกคุณได้เลยอาตมาหนีมาแล้วอย่างน้อยๆอย่ตอนนี้นึกขึ้นมาในไดสองลายล้หนีมาแล้วไม่กล้าสอนลายนึงนี่อาตมาเห็นปั๊บรีบหลบเลยอะ กลัวกลัวจริงๆกลัวเขาเข้ามาหากลัวจริงๆเลยขนาดท่นมายังกลัวเลยคิดดูเอาคนละกันโอ้แต่นานแล้วนะหลายปีมาแล้วะอันนี้อีกคนหนึ่งโอ้โหอันมาเจออันมาทุ่มจนีที่ิดาสุดกําลังเราล้วลก็พยายามอ่ะเราเป็นลูกพ่อท่านก็ต้องพยายามมีเลือดโพธิตสัตพยายามแมมอดทนอดกลั้นพยายามต่างๆนานาว่าเอออย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขานะ พยายามสงสารอาผู้ที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันเถอะโอ้โหพยายามนะจะสอนให้ให้ถึงที่สุดอะแต่ปรากฏว่าไม่ไหวเหมือนกันมาก็ตัดรอบเหมือนกันเจอเจอลายนี้เนี่ยตมาเลิกคุยด้วยอตมาไม่คุยด้วยเลยพยายามห่างๆแต่ว่าไม่ทําให้เขารู้ตัวนะเขาไม่รู้หรอกว่าตมาตัดรอบเขาพอสมควรแล้ว เขาไม่รู้แต่อัตมาเองเนี่ยเรียกว่าระวังมากเลยไม่ได้ระแวงนะแต่ระวังมากเลยสาหรับคนแบบนี้แต่หลังๆนี่รู้สึกว่าเออเขาดีขึ้นเขาดีขึ้นนี่อัตมา ก, ก็เลยพูดด้วยบ้างเขาดีขึ้นนะแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยอัตมาไม่ไหวแล้วไม่พูดด้วยเลยอืมนะนี่นี่มันแว บ, บขึ้นมาได้สองคนยังไม่รู้แนตะ่จะเป็นลายที่สาม อ่ล่ากี้นี้ข้อที่เก้านะโอ้โหปลักตําโจ์ข้อที่10บคราวนี้เวลาถูกฟ้องกลับเอาเรื่องอื่นมากลบเกลือนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธมุ่งร้ายไม่เชื่อฟังโอ้โหข้อที่สิบนี่รวบรวมผลงานเยอะเหลือเกินข้อนี้รวบรวมไม่เยอะมากดูนะเวลาเวลาใครมาว่าเรามาติเราหรือว่ามีคนมาฟ้องร้องเรื่องของเราเงี้ย พอเราโดนฟ้องร้องปั๊บเอาเรื่องอื่นมากบเกลื่อนเลยโอ้ยฉันไม่อย่างนั้นหรอกโอยฉันนี่แต่ก่อนดูสิฉันทําดีมาขนาดไหนโอ้เอาเรื่องอื่นมาเลยรีบมากบเรื่องนี้ทิ้งนี่นิสัยอันนี้อาจะมาว่าหลายคนชักหนีไม่พ้นแล้วนะอืมไม่ง่ายนะถ้าใจเราเนี่ยไม่ตรงจริงใจเราไม่ซื่อสัตย์จริงกับตัวเองนะเวลาโดนติโดนอะไรเข้านี่ไม่แคล้วหรอกคุณ จะหาอะไรมากลบอยู่เรื่อยเลยเพราะกลัวไม่กล้ายอมรับผิดไม่กล้ายอมรับความจริงมันจะเอาเรื่องอื่นนี่มากลบอันเนี้ยอันเนี้ยอาตมาเองนี่บางครั้งนี่ยังรู้สึกตัวเองหอเลยว่าโอ้โหอย่าเผลอถ้าเผลอบางครั้งมีเหมือนกันบางเรื่องมันมันอายอะมันอายมาก ม, มันกลัวมากมันรู้สึกเลยพูดโก่งเกินไปมั้ยังจะมีเลยคุณจริงมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรนักนะ แต่เรายังจับจิตเราได้ว่าโอ้โหเรื่องนี้บางทีเราผิดเราพลาดจริงนะแต่บางทีเราก็ไม่กล้าพูดเราก็ไม่กล้าบอกว่าเราเป็นคนทำเองเราไม่กล้าพูดแต่เราก็พูดเป็นไออย่างงน้นซะเป็นไออย่างนี้ซะอันนี้อาตมายังจับตัวเองได้อยู่ว่าโอ้บางทีเรายังมีอยู่นะอันนี้แต่ก็คอยระมัดระวังอยู่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยพยายาม พอได้สติพอรู้ตัวเนี่ยจะพยายามทําใจกกล้าแล้วก็จะต้องพูดออกไปว่าอันเนี้ยเราทําเองเนยเราผิดพลาดเองโอ้คุณต้องใจแข็งนะคุณต้องตั้งใจดีๆเพราะว่าไอ้ความอายความกลัวความอะไรต่างๆของเราอะกลัวเดี๋ยวคนไม่ศรัทธาเรากลัวเดี๋ยวเขาเกียดเรากลัวเดี๋ยวเขาไม่นับถือเราเอาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะยิ่งมาด่าเรามากไปกว่า น, นี่อีกอะไร ไอ้ความกลัวพวกนี้มันทำให้เรากบกเกลื่นเกื น, กนไม่กล้ายอมรับความเป็นจริงนะอ่าดูนะกบเกลื่นเสร็จพูกนอกเรื่องอ่านะะกี้บอกไปแล้วแล้วก็แกล้งทําเป็นโกรธคราวนี้จริงๆไม่ได้โกรธจริงนะแต่แกล้งทําเป็นโกรธทาเป็นเสียงดังทาเป็นเ อ, อะเพื่อที่ไอ้นำจะได้ไม่กล้าพูดไม่กล้าว่าเราไม่กล้าสอนเราไม่กล้ามาท้วงติงอะไรเราคือแสดงคราวนี้ หลอกเข้าไงหลอกเขาอันนี้ทําเป็นเสียงดังทําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนก็เห็นโอ้ยนี่มันโกรธแล้วนี่มันเสียงดังนี่คนบางทีเนี่ยอย่างเช่นหลายคนเลยในในหมู่พวกเราเนี่ยที่ไม่กล้าไปว่าคนนั้นไม่กล้าไปติคนนี้เพราะโอ้โหไอคนเนี่ยเดี๋ยวมันโกรธรุนแรงอะ่ะใช่ไหมใครก็จะไปกล้าติกล้าว่าอะไรหรอกเนี่ยเนี่ยแต่อันนี้ไม่ได้โกรธจริงๆไงแกลงทาเป็นอย่างนั้นทําเป็นอย่างนี้ ให้คนเขาคิดว่าเราโกรธแล้วเขาจะได้ไม่กล้ามาว่านี่อันนี้เป็นการหลอกลวงเสร็จแล้วยังไงคราวนี้แสดงแกล้งแสดงความโกรธแล้วใช่ไหมแล้วก็มุ่งร้ายคือจิตเนี่ยคิดร้ายกับคนที่มากล่าวหาเราอ่าแล้วก็ไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังนี่ก็บอกอยู่แล้วว่าก็ว่ายากสอนยากอยู่แล้วว ะ, ะนั้นคราวนี้ใครมาพูดใครมาอะไรคราวนี้ไม่เชื่อทั้งนั้นเนี่ยนะอันนั้นข้อที่สิบ ส่วนข้อที่สิบเอ็ดเวลาถูกฟ้องไม่พอใจตอบในความประพฤติของตนคือคือไม่เวลาใครเขาม า, าติมาว่าเราเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราไม่พอใจเลยที่จะตอบในความประพฤติของเราเองอะ่ะคือมาให้เราเล่าวัานเนี้ยเนี่ยเนี้ยเขาว่าเราเสร็จแล้วเนี่ยคุณทําอย่างเงี้ยใช่ไหมให้เราเล่ามาทีให้เราเล่าความผิดของเราเอาเราก็เอา้า เราก็ไม่ชอบไปิเรื่องอะไรมาให้เราเล่าความผิดความบกพร่องความเสียหายความไม่ไม่ดีของเราเออพูดง่ายว่าโดนจี้ใจดําอ่ะคือคุณโดนจี้ใจดำํำวันพอโดนจี้ใจดําปับ๊บเราก็อ่าไม่พอใจดิเพราะฉะั้นคนที่ใครมาจี้ใจดําเราปับ๊บเราไม่ชอบใจเราไม่พอใจที่ทําไมเขามาให้เรามาพูด ไอ้ความไม่ดีของเรางนี้นั่นแหละคือลักษณะนิสัยหนึ่งของคนว่ายากสอนยากเพราะฉะนั้นคราวนี้เวลาใครมาพูดแทงใจดําเราสำนวนมันบอกแล้วนะคำ ว, ว่าแทงใจดําใจมันไม่แดงเนี่ยใจมันไม่ดีใจมันดําคือเขาเขาแทงถูกจุดอะ่ะเขาแทงถูกไอ้ความไม่ดีของเราไงที่เราใจดําเนี่ย ท, ท, ที่ที่มันทําผิดทําพลาดทําเสียมาแล้วเขาก็พูด ติว่าถูกต้องเลยอ่ะในในความบกพร่องในความไม่ดีของเราแล้วเราไม่ชอบใจอาการที่เราไม่ชอบใจเนี่ยใครที่มาพูดในจุดบกพร่องของเรานี่แหละคือนิสัยของคนว่ายากสอนยากเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเป็นคนว่ายากสอนยากต้องหัดปรับจิตให้ได้คนมาติมาว่าเรานี่คือคนมาชี้คุณทรัพย์ให้กับเรา ผู้เจ้ท่านใช้คำนี้เพื่อที่จะให้เราหัดปรับจิตให้ได้จิตจะได้ไม่คิดไปในทางไอ้ น, นี่มันมาเล่นงานข้าในว่าออไม่คิดไปในทางลบไม่คิดไปในทางร้ายไม่คิดไปในทางที่จะโกรธไม่ชอบใจไม่พอใจอะไรนะเมื่อเราคิดว่าเป็นการชี้คุมมซ้ำให้กับเราอ่ามันก็กลายเป็นอะไรแล้วตอนนี้ไม่เพียงแต่ไม่ชอบใจแต่เป็นเป็นอะไร เมือ่อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเนี่ยไม่พอใจจะเป็นอะไรอเออจะเป็นความพอใจจะเป็นความชอบใจเพราะฉะนั้นเห็นไม่บางคนเนี่ยชอบมาปรารนาว่าดิฉันทำอะไรผิดไปกับผมทำอะไรผิดไปแล้วช่วยแนะนำช่วยบอกกล่าวช่วยตีติงเตือนผมด้วยนะครับเขาจะชอบใจแต่บางทีบางคนนี่เวลาพูดจะพูดได้นะ แต่พอเวลาโดนตีโดนว่าจริงเอ๊ะเอ๊ะทำไมหน้านิวคิว้วขมวดชักไม่ชอบใจอัจทังนั้นใช้ไม่ได้ะจะต้องพยายามชอบใจให้ได้เห็นเป็นขุมทรัพย์ให้ได้นะเห็นเป็นเหมือนเพชรเหมือนทองเหมือนของมีค่าให้ได้ว่าคนมาชี้เนี่ยยิ่งชี้ได้เป๊ะเลยว่านี่เป็นความบกพร่องของเราจริงๆเป็นความผิดของเราจริงๆใครยิ่งชี้อย่างนี้ให้เราได้โอ้โหนี่มันโชคดี ไม่ใช่เคราะหนะอันนี้เป็นโชคดีแต่คนเราชอบไปคิดว่าซวยทําไมมาว่าเรานี่อ่ะชอบคิดเป็นความเคราะห์ไปเรื่อยเลยแต่จริงๆมาเป็นโชคคนเนี่ยมาติมาว่าเรานี่เป็นโชคนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแก้ให้ได้ถ้าเราแก้ได้เนี่ยเราจะไม่มีจิต ท, ที่ไม่พอใจนะเราจะเป็นคนที่ใครๆก็ว่าสอนได้ เอาข้อสิบสองลบหลูตีเสมอนะข้อที่สิบสองแน่นอนบอกแล้วเมื่อกี้อันนี้เหมือนกับอะไรข่มคนอื่นเขาอะใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่ขม่มอันนี้ลบหลูโอ้โหข่มคนอื่นเขานี่บางทีก็ยกตัวเองสูงกว่าคนอื่นเขาใช่ไหมอ่าก็อันนี้ลบหลูนี่คือว่าคนอื่นให้เสียหาย ลบลูเนี่ยว่าคนอื่นในในเชิงเสียหายแต่ยกตนข่มคนอื่นนี่คือยกตัวเราสูงขึ้นใช่ไหมยกคืออาจจะพูดความดีเราว่าเราดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้เราเหนือกว่าอย่างนั้นเหนือกว่าอย่างนี้คืออันนี้ยกตัวเราแต่ลบหลูนี่คืออะไรว่าคนอื่นในทางที่คนอื่นเนี่ยด้อยกว่าเราคนอื่นนี่สู้เราไม่ได้คนอื่นนี่แย่อย่างนั้นแย่อย่างนี้นี่ลบหลูคนอื่นครับ นะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบพูดลบหลู่คนอื่นหรือชอบพูดข่มคนอื่นก็ตามหรือครวนี้พระเจ้าใช้คําว่าแม้ตีเสมอเขาครนี้ไม่ใช่ลบหลู่แล้วนะอ่าครนี้ตีเสมอเขาคําว่าตีเสมอเขาเนี่ยหมายความว่ายังไงละคําว่าตีเสมอใช้สํานวนเนี่ยแสดงว่าเขาต้องไปยังไงจริงๆแล้วเออจริงๆแล้วเขาน่าจะสูงกว่าเราแต่เราเนี่ยตีเสมอเขา บอเอ้ยเองกับข้าก็พอๆกันนะแม้มาว่าข้ากินมากดูเองมั่งดินะดูพี่เนี่ยโอ้อะไรเองก็เต็มกละมังเลยเนะี่ยเอออย่างนี้ใครใครจะไปกล้าว่าใช่ไหมอก็ถือว่าเองกับข้าก็เหมือนกันหลยว่ารรใช่ไหมเพราะงั้นก็คราวนี้ก็กลายเป็นถ้า คนอื่นที่ที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าเท่าๆเราใครเขาจะมาว่าได้เพราะเราก็จะย้อนทุกทีว่าก็เ อ, าเองกับข้าก็เหมือนกันแล้วว่า <c oughs> วันหลังอ่ะเพื่อนฝูงที่ที่เสมอกันอย่างนี้ใครเขาจะมาสอนไม่มีใครเขามาสอนนี่ต่อให้เสมอกันนะอ่าบนหลังเขาก็ไม่ไม่สอนเราแต่โดยบอกแล้วคําว่าตีเสมอในที่นี้ยิ่งถ้าหมายความว่าเขาสูงกว่าเราด้วยอ่ะ แต่เราจะตีเสมอว่าเราเนี่ยสูงเท่าเขาอ่ะใช่ไหมจะต่อขากรตามหรือจะใส่ส้นสูงกระตามเราก็เลยว่าเราสูงเท่าเขาแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เพราะนั้นคนอย่างเงี้ยประเภทเขาเรียกว่าเหมือนกับหลงตัวหรือว่าเหมือนกับยกตัวเพราะนั้นคนอื่นเนี่ยจะมาสอนจะมาอะไรยากเพราะจริงๆเนี่ยคนที่เขาสูงกว่าพอเขาจะมาสอนใช่ไหมเราก็ว่าเอ้ยเองกับข้าก็พอกัน ว่าหลังเขาไม่ก็อยากสอนอข้อที่สิบสามคนนี้จะพยายามให้จบนะข้อที่สิบสาก็คือริษยาแล้วก็ตนีอยู่ด้วยกันเลยนะคนนิสัยริษยาคนาานิสัยตนีสอนยากทําไมริษยาสอนยากยังไงฮะใครไม่เคยริษยาบ้างริษยาหมายความว่างไง เ, เห็นคนอื่นได้ดีเราก็ไม่ค่อยชอบนะใครจะดีเกินเราไม่ได้เอริษยาเขาส่วนใหญ่สำนวนทุกวๆวไปเ็าชอบใช้อิจฉาริษยาชอบใช้ติดกันสองคำนี้นะเพราะนั้นเนี่ยคนมาเตือนเรามาสอนเราอะแล้วคนนิสัยริษยาเป็นไงถ้าใครมาบอกมาสอนเป็นไงก็อย่างที่บอกอะเองดีกับข้าหรือไง เองสูงกว่าข้าหรืไงเออใช่ไหมลิสยาคนอื่นเขาวะเข้ามาสอนเราก็เหมือนกับเขาดีกว่าเราใช่ไหมเขาเหนือกว่าเราอ่ะเพราะนั้นเราเฮ้ยอย่ามาสอนฉันเลยนั้นคนลิสยาถึงสอนยากใครมาสอนก็ไม่ค่อยเชื่อคนตะนีล่ะพวกขี้เหนียวเป็นไงไปไงสอนยังไงสอนยังไงก็ ไปไสอนยังไงสอนยังไงดึงไม่หลุดอ่ะมันเหนียวมากเลยดึงไม่ออกก็ขี้มันเหนียวอ่ะเพราะฉะนั้นมันยากแล้วพวกนี้มันปากอ่ะพวกนี้ปากพวกนี้ยึดยึดจัดแล้วยึดในความคิดตัวเองว่ตัวเองเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้งี้แล้วโอ้ยตืดถึงนืดเลยเพราะฉะนั้นดึงยังไงดึงไงให้มันขานไม่เคยขาน ข้นพวกนี้ก็สอนยากนะอธิบายสั้นๆเอาข้อที่สิบสี่คนที่โอ้อวดแล้วก็เจ้ามายาว่าว่ายากสอนยากโอ้อวดก็รู้อยู่แล้วก็นี่คือพวกเหมือนกับพวกยกตนนั่นแหละรประเภทเดียวกันแต่ว่ายกตนเสร็จแล้วก็นเนี่ยพูดยังไนนแงแหมฉันนี่แน่อย่างนั้นฉันนี่แน่อย่างนี้ไอ้พวกที่แน่แน่อย่างเงี้ยหลงตัวเองใช่ไหมล่ะหรือหรือความจริงเนี่ย ตัวเองรู้อยู่ว่าตัวเองต่าต้อยแต่พูดอวดออกไปว่าชั้นสูงชั้นสูงอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าจะมีคนมาสอนมาว่าไปไงอ่าเดี๋ยวความจริงก็เปิดเผยสิเดี๋ยวความลับก็แตกกันสิใช่ไหมต่อให้ตัวเองมีจริงก็ไม่ชอบเหมือนกันน่ะใครที่จะมามาสอนเราเพราะฉะนั้นจะไม่ชอบให้คนมาสอนเพราะถ้าคนมาสอนก็อวดไม่ออกกันสิเพราะแสดงว่าเขาเหนือกว่า วันคนโอชอบโออวดสอนยาตอนนี้เจ้ามายาแ่ะโอยพวกตอแหลเก่ง <laughs> เจ้ามายานะโอ้ก็ภาษาก็บอกอยู่แล้วอะ่ะนั่นก็หลอกลวงอะ่ะเออเออมายานี่ก็พวกหลอกลวงเขาเรียกวงการมายาเงี้ยพวกไอ้บังเทิงพวกอะไรพวกเนี้ยวงการมาย า, ย า, ม, า, ม, า, ยามันหลอกกันแหละไม่จริงหรอกคุณดูหนังกี่เรื่องกี่เรื่องเน่ย ก็หลอกงั้นแหละ <c oughs> เอเพราะฉะนั้นน่ะคนไม่จริงเนี่ยคนที่ชอบโกหกคนที่ชอบอะไรสอนง่ายที่ไหนแล้วโอ้บางทีเราสอนมันนะมันเออดีดีดีเออพอ <c oughs> <ๆ> <c oughs> รับหลังมาไม่ทํำอะไรไม่เชื่ออย่างที่เราสอนเลยนี่ก็คือพวกว่ายาติสอนยาติะฉนพวกที่ชอบรับปากใครรับปากใครแล้วก็ไม่เคยไปแก้ไขไม่เคยไปทําอะไรเลยนะ นี่แหละคือจอมายามันจำมาไว้อย่ามีนิสัยแบบนี้แม้ลับปากเอาเลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวทําให้วใ ห, หวันแล้วยังไม่ไม่เสร็จทักที อ, อย่าไปมีนิสยัยจอมายาพูดอะไรแล้วก็ไม่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นความเป็นจริงมันพยายามถ้ามันเกิดทําไม่ได้หรือว่าหรือว่าอะไรอะมีงานเยอะจริงๆ เอาก็ต้องบอกก็ต้องบอกตามความเป็นจริงว่าโอ้โ oh, หมันติดงานจริงๆมันทําไม่ได้จริงๆนะก็บอกตอนนี้ยังทําไม่ได้อะไม่ใช่เที่เอาไปรับปากใครต่อใครเขาอย่างเงี้ยวันหลังอาตมาบอกด้แล้วคนเขาไม่อยากพูดด้วยอย่าว่าแต่สอนเลยพูดด้วยเขายังไม่อยากพูดด้วยเลยเพราะมันเสียเครดิตหมด อ, ะอ่ะนะเอาตอนนี้ข้อที่สิบห้าคนกระด้างแล้วก็ดูหมิ่นผู้อื่นคล้ายๆกันนะอันเนี้ย ไอ้ดูบินคนอื่นก็นั่นนะ่ะนะคมคนอื่นอะไรต่ออะไรอันนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วแต่กระด้างคนที่สมมติว่าหน้าเหมือนหินอย่างเงี้ยหน้าเหมือนหินอะไรอ่ะใครไปพูดเลยนะเหมือนเอาน้ําสาสใส่หินเนี่ยหินไม่สั่นสะเทือนอะไรเลยโอ้โหทั้งทั้งที่เขบอกว่าอะไรน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะคุณแต่หน้าคนนี้โอ้โหเอาน้ําสาดเท่าไหรไม่กร่อนเลยเนี่ยคุณคิดดูเอาแล้วกัน คนที่กระด้างอย่างเงี้ยใครเขาจะไปสอนในบนหลังเพราะเขารู้สึกว่าน้ําคําเขาเนี่ยสายเข้าไปลดเข้าไปคุณไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอ่ะคุณยังแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมแต่แกร่งแบบกระด้างนะคุณแข็งแกร่งกระด้างอยู่เหมือนเดิมเขาก็เบื่อเขาก็ไม่อยากลดแล้วนะลดไปก่อนเหมือนลดลดตอ่อลดต่อเขาเสียเวลาเข า, เขาไปลดผักดีกว่าก็ยังได้กิน ก็ยังได้กินผักมาไปลถผักลถตอมันอะไรอน้ําร ถ, ถั่วตอลดไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเออยกเว้นว่าตอที่มันมีเหตุก็ไปอีกเรื่องไอ้ <c oughs> นี่ตอก็ไม่มีเหตุไม่มีอะไรเกิดเลยลดไปก็ถอน้าเสียน้ําด้วยใช่ไหมเ อ, อเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนกระด้างเพราะนั้นคนกระด้างนี่ไม่มีใครอยากจะสอนแล้วก็คือกลายเป็นคนสอนยากนะะข้อสิบหกข้อสุดท้าย เอาแต่ความเห็นของตนดื้อรั้นนะเอาแต่ความเห็นของตนดื้อรั้นถอนถอนได้ยากถอนความคิดของตัวเองอะถอนความความยึดของตัวเองเนี่ยถอนยากวันใครก็ตามนะที่จะใช้คำว่าดื้อรั้นใช้คำว่าถอนได้ยากหรือว่าเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยความหมายเดียวกันหมดแหละคือพูดง่ายว่า ใครจะสอนยังไงนะใครจะพูดวิเศษยังไงจะเอามาเป็นห้าคนจะเอามาเป็นร้อยคนมาพูดนะข้าไม่สั่นสะเทือนคือข้าไม่ไม่ถอนความยึดความคิดของข้าเลยนี่แหละเนี่ยข้อที่สิบหกเนี่ยคือสรุปทั้งสิบห้าข้อนั้นนะมารวมอยู่ที่ข้อที่สิบหกคือใครจะพูดยังไงใครจะอะไรยังไงก็ช่างเหอะ ฉันไม่เปลี่ยนความคิดฉันแม้แต่ต่อให้คุณยึดดีเถคุณอย่นึกว่าคนยึดดีเนี่ยนะฉันว่าดีอย่างนี้ของฉันแล้วอะยังไงฉันก็ไม่ยอมเปลี่ยนเลยบางทีครูบาอาจารย์มาบอกแล้วไอ้ที่คุณยึดดีเนี่ยนะมันยังมีดีกว่าที่คุณยึดนี่อีกนะแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนไอ้ยึดดีประเภทนี้นะนี่แหละคือข้อที่สิบหเนี่ยคือดื้อรัน้น จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีจริงหรอกถ้าถ่ายถอนไอ้ความดื้อรั้นของตัวเองออกไปได้ความยึดแต่ความคิดของตัวเองเอาออกไปได้เนี่ยคุณจะได้ดีกว่าที่คุณยึดนั้นอีกที่คุณยึดดีนั้นน่ะคุณจะได้ดีกว่านั้นขึ้นไปอีกถ้าคุณถ่ายถอนนั้นนั้นได้เหมือนกับพระอรหัน์เนี่ยเห็นไหมพระอรหันนี่จะเอาอะไรจะเอาอนิพพานให้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าอยากเอานิพพานอยากนิพพานโอ้โหเรียกร้อง นะเอนิพพานนั้นพานิพานพานแหมตะกี้มันสำนวนมันรุนแรงไปหน่อยเลยไม่พูดนะนะว่าเอาแต่ร้องว่าเจ้านิพานจเจ้านิพานจเจ้านิพานจะได้ไหมนิพานไม่ได้อะแต่พอยังไงไไพอเลิอกอนิพพานจะได้เลยเหมือนพระ อ, อนนท์เนี่ยต้องยกตัวอย่างพระ อ, อนนท์โอ้โหจะต้องบรรลุทำเป็นพระลรหัน์ คืนนี้ให้ได้แล้วเพราะว่าจะได้เข้าไปสังขยาณากับพระหัหนทั้งหมดได้เพราะไม่ใช่เป็นพระลาหันก็ไม่ให้เข้าพระอนอนก็พยายามพยายามยังไงก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งเหนื่อยเลยนะพยายามจนเหนื่อยอ่ะก็ไม่รู้ท่านยึดอะไรของท่านนะก็ยึดดีนั่นแหละก็พยายามจะเอานิพพานให้ได้จนในที่สุดหมดแรงบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วนะนิพพาน บายบายลา ก, ก่อนนางก็ล้มตัวเลยขณะที่ปล่อยความยึดดีความถือดีของตัวเองทิ้งไปนั่นแหละนางก็เองกายเนี่ยครึ่งนางคืนนอนเนี่ยกาลังจะลงไปเนี่ยขณะนั้นเนี่ยบรรลุธรรมเลยบรรลุธรรมขณะที่ทิ้งความยึดดีถือดีของตัวเองนะไปได้ก็บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นคราวนี้สรุป สรุปง่ายที่สุดตรงที่เรียกว่าใครอยากเป็นคนว่า ง, ง่ายสอนง่ายนะก็เลิกทำส16ข้อ <c oughs> <c oughs> นะั้ไปเลิกทำสิหข้อนี้ให้ได้ล้วจะเป็นคนว่า ง, ง่ายสอนง่ายอ่าวันนี้พอเท่านี้